15-18 าถึงยาตการนุโยคาธิว่าด้วยการซักถามถึงญาติเป็นต้นหนึ่งาปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกตธรรมัติใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีมานดามีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากมานดามีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิการธรรมัตี่หนึ่งร้ปดปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิการธรรมะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบิดามีอยู่เป็นต้นละพี่ชายน้องชายมีอยู่ละพี่สาวน้องสาวมีอยู่ละกษัตริย์มีอยู่ละพราหมมีอยู่ละแพทย์มีอยู่ละสูตรมีอยู่ละขรรค์มีอยู่ละบรรพชิตมีอยู่ละ เทวดามีอยู่และมนุษย์มีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทิหากมนุษย์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตหนึ่งร9 9กาสิบเกกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่ามารดามีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นมารดาแล้วมาเป็นมารดามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบุคคลแล้วมาเป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายไม่เคยเป็นพี่สาวน้องสาวไม่เคยเป็นกษัตริย์ไม่เคยเป็นพราหมณ์ไม่เคยเป็นแพทย์ไม่เคยเป็นสูตร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 ปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเคยเป็นมารดาแล้วไม่เป็นมารดามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเคยเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลบางคนเคยเป็นบิดาเคยเป็นพี่ชายน้องชายเคยเป็นพี่สาวน้องสาวเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นพราหมณ์เคยเป็นแพทย์ เคยเป็นสูตรเคยเป็นคฤหัสถ์เคยเป็นบรนปชิตเคยเป็นเทวดาเคยเป็นมนุษย์แล้วไม่เป็นมนุษย์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นยาตากานุโยคาธิจบ 19. ปฏิเวธานุโยคะ ว่าด้วยการซักถามถึงผู้บรรลุธรรมหมายถึงพระอริยะสองร้ 201. ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมาทิช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีบุคคลผู้เป็นพระโสดาบาันมีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีหาบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a t สองสองปรวาทีท่านไมย่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a ใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีบุคคลผู้เป็นพระสกทาคามีมีอยู่บุคคลผู้เป็นพระอนาคามีมีอยู่บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์มีอยู่บุคคลผู้เป็น อุปโตภาควิมุตมีอยู่บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตมีอยู่บุคคลผู้เป็นกายสักขีมีอยู่บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตมีอยู่บุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตมีอยู่บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีมีอยู่บุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีมีอยู่มิใช่หรือสกวาธีใช่ ปรวาทีหากบุคคลผู้เป็นสศรานุสารีมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต20ส20ร้อยสกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที บุคคลบางคนไม่เคยเป็นพระโสดาบันแล้วมาเป็นพระโสดาบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบุคคลแล้วมาเป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมป ร, ปรากกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 2. 0 4สกวาทีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นพระสกทาคามีไม่เคยเป็นพระอนาคามี ไม่เคยเป็นพระอรหันต์ไม่เคยเป็นอุพโตภาควิมุตตไม่เคยเป็นปัญญาวิมุตตไม่เคยเป็นกายสักขีไม่เคยเป็นทิฏฐิปตะไม่เคยเป็นศรัทธาวิมุตตไม่เคยเป็นธรรมานุสารีไม่เคยเป็นศรัทธานุสารีแล้วเป็นศรัทธานุสารีมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบุคคลแล้วมาเป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปารวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองร้อยห้าสกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัาธรรมิใช่ไหมปารวาทีใช่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 ท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมสกาวาทีใช่ปรมวาทีอริยบุคลคลสี่คู่คือ8ดบุคคลมีอยู่ไม่ใช่หรือสกาวาทีใช่ปรมวาทีหากอาริยบุคลคลสี่คู่คือ8ดบุคคลมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต 207. เจส ก, กวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกขถปรมัตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลปรากฏได้เพราะพระพุทธเจ้าปรากฏใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาที บุคคลปรากฏได้เพราะพระพุทธเจ้าปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลปรากฏได้เพราะพระพุทธเจ้าปรากฏใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วบุคคลก็ขาดศูญไปบุคคลไม่มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสังขานุโย ค, คะ จบยสัจจิกัตถะสภาคานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงสภาวะแห่งสัจจิกัตถะ0 0 8รสกวาทีท่านอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะประมาติตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือสังคตะใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรืออสังคตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น209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 นอกจากสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งยังมีส่วนที่สามอีกใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระพุทมีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าสองประการนี้ถ้าสองประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่ท่าที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสองท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 ปรวาทีใช่สกวาที ส, ick, สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ถูกปัจจัยและบุคคลเป็นคนและอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น212สกวาทีขันเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ใช่ ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีขันนิพพานและบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองสกวาทีรูปเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งบุคคล เป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปนิพพานและบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 บุคคลมีความเกิดขึ้นปรากฏมีความดับสลายปรากฏเมื่อดำรงอยู่มีความแปรผันปรากฏใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุทั้งหลายอสังคตะลักษณะแห่งอสังคธรรม3ประการนี้คือ 1. ความเกิดขึ้นไม่ปรากฏ 2. ความดับสลายไม่ปรากฏ 3. เมื่อดำรงอยู่ความแปรผันไม่ปรากฏบุคคลไม่มีความเกิดขึ้นปรากฏไม่มีความดับสลายปรากฏเมื่อดำรงอยู่ไม่มีความแปรผันปรากฏดังนั้น บุคคลจึงเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสองสกสกวาทีบุคคลปรินิพพานแล้วมีอยู่ในนิพพานหรือไม่มีอยู่ในนิพพานปรวาทีมีอยู่ในนิพพานสกวาทีบุคคลปรินิพพานแล้วเป็นผู้เที่ยงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที บุคคลปรินิพพานแล้วมีอยู่ในนิพพานหรือไม่มีอยู่ในนิพพานประวาทีไม่มีอยู่ในนิพพานสกวาทีบุคคลปรินิพพานแล้วเป็นผู้ขาดศูนย์ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น2องร้สกวาทีบุคคลอาศัยอะไรดํารงอยู่ประวาทีบุคคลอาศัยภพดํารงอยู่สกวาทีภพไม่เที่ยง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 สองิบแท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกตธรรมัตใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีบุคคลบางคนเมื่อเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยสุขเวทนามีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ประวาที หาบุคคลบางคนเมื่อเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าขพเจ้าเสวยสุขเวทนามีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าขพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าขพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลบางคนเมื่อเสวยทุกขเวทนา เมื่อเสวยอะทุกขมสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยอะทุกขมสุขเวทนามีอยู่มิใช่หรือสกวาธีใช่ปรวาธีหากบุคคลบางคนเมื่อเสวยอะทุกขมสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยอะทุกขมสุขเวทนามีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัดับปรมตธ สองสกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนเมื่อเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยสุขเวทนามีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกขาปรมัตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ที่เสวยสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่า ข this, well ้าพเจ้าเสวยสุขเวทนาเท่านั้นจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้ที่เสวยสุขเวทนาอยู่แต่ไม่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยสุขเวทนานั้นไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ที่เสวยทุกขเวทนาอยู่บุคคลผู้ที่เสวยอทุกขมาสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่า ข้าพเจ้าสเสวยอทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้สเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่แต่ไม่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองยสอ็กวาที เพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนเมื่อเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถปรมาทิช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีสุขเวทนากับบุคคลผู้เสวยสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่า ข้าพเจ้าเสวยสุขเวทนาเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทุกขเวท น, นาอทุก ข, ขมะสุขเวท น, นากับบุคคลผู้ที่เสวยอทุก ข, ขมะสุขเวท น, นาอยู่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยอทุกขมะสุขเวท น, นาเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สองยยประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัติใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีบุคคลบางคนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีหาบุคคลบางคนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีอยู่ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a t สรยปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลบางคนพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลบางคนพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมาติสองรสสกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีอยู่จึงยอมรับว่า ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฐฐตถปรมาทิช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เท่านั้นจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นกายในกายอยู่นั้นไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา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 จึงยอมรับว่าขพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัถปรามาทิช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายกับบุคคลผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาจิตธรรมกับบุคคลผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ เป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองร้อยยสิกสกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสจิกัรถัปรมัติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโมคราชเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อ ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้ค่ามัจจุราชได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้มัจจุราชจึงไม่เห็นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถาปรมัตสอง27 สกวาีบุคคลพิจารณาเห็นโลกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาีพิจารณาเห็นโลกพร้อมกับรูปหรือเว้นจากรูปปรวาทีพิจารณาเห็นโลกพร้อมกับรูปสกวาทีชีวะกับสรีิระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที พิจารณาเห็นโลกพร้อมกับรูปหรือเว้นจากรูปประวาทีพิจารณาเห็นโลกเว้นจากรูปสกวาทีชีวากับสิรีระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น228สกวาทีบุคคลพิจารณาเห็นโลกใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที อยู่ภายในรูปพิจารณาเห็นหรือออกไปภายนอกรูปแล้วจึงพิจารณาเห็นปรวาทีอยู่ภายในรูปพิจารณาเห็นสกวาทีชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอยู่ภายในรูป พิจารณาเห็นหรือออกไปภายนอกรูปแล้วจึงพิจารณาเห็นปรวาทีออกไปภายนอกรูปแล้วจึงพิจารณาเห็นสกวาทีชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 2,29 งรี้าปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถาปรมัตใช่ไหม สกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจวาทีกาลวาทีภูตวาทีตถาวาทีอวิททวาทีอนัญญาทวาทีมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่มีอยู่จริงมิใช่หรือ สกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นข้าพเจ้าจึงยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตสองรสประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมสกวาทีใช่ใชปรวาทีพระผู้มีพระภาค ทรงเป็นสัจวาทีกาละวาทีภูตวาทีตัทวาทีอวิทธวาทีอนัญญทวาทีมทิใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีพระสูนที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกจุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีดังนั้นขพเจ้าจึงยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถาปรมัตประวาทีดังนั้นขปเจ้าจึงยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถาปรมัต สองสกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจจวาทีกาลวาทีภูตวาทีตถวาทีอวิทธวาทีอนัญญทวาทีมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาที พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าทมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตามีอยู่จริงมิใช่หรือปร ว, รวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถาปรมัตสองร้สิบสองกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถาปรมัตใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจวาทีการวาทีภูตวาทีตัทวาทีอวิทธวาทีอนัญญาทวาทีมิเชื่หรือปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าอริยสาวกไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงใจว่า เมื่อเกิดทุกเท่านั้นเกิดขึ้นเมื่อดับทุกเท่านั้นดับไปอริยสาวกนั้นมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยกัจจานะด้วยเหตุเพียงเท่านี้จัดว่าเป็นสมาธิฏฐิมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถาปรมัต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 ประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต์สองร้อสกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีท่านพระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่า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 รถว่างจากอัตตาหรือส mm ิ hmm. y i y i ่งที่เนื่องด้วยอัตตากายว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโพธะพระว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามณะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาธรรมารมว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามโนวิญญาณว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา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 ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจากดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งที่คงที่อย่างนั้นนี้มิเป็นพาละธรรมหมายถึงธรรมของคนโง่สมบูรณ์แบบละหรือทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นพาละธรรมสมบูรณ์แบบทีเดียวพระพุทธเจ้าข้าดังนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาที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 อนัญยทวาทีมทิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเสนียะศาสดาสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกาศาสดาสามจำพวกเราไหนคือหนึ่งาศาสดาบางคนในโลกนี้ บัญญัติอัตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและบัญญัติอัตราในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนสองศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติอัตราในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนแต่ไม่บัญญัติอัตราในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืน 3. ศาสดาบางคนในโลกนี้ไม่บัญญัติอัตราในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและไม่บัญญัติอัตราในพบหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนบรรดาศาสดาสามจำพวกนั้นศาสตาที่บัญญัติอัตราในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและบัญญัติอัตราในพบหน้าโดยความเป็นของมีจริง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 ปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจวาทีกาลวาทีภูตวาทีตัทวาทีอวิทธวาทีอนัญญาทวาทีมิชื่หรือปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคเคยตรัสว่าหม้อเนยใสใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ใครๆทำหม้อนเนยใสมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกขาปรมัตสอง3 8สิบแปดกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกขาปรมัตใช่ไหมประวัตีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาค ทรงเป็นสัจวาทีกาลวาทีภูตวาทีตัทวาทีอวิทธวาทีอนัญญทวาทีมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคเคยตรัสว่าหม้อน้ํามันหม้อน้ําผึ้งหม้อน้ําอ้อยหม้อน้ํานมหม้อน้ําภาชนะน้ําดื่มกระบอกน้ําดื่ม นน้ำดื่มนิตยพัดทุวยาคูคือยาคูเที่ยงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียาคูบางอย่างเที่ยงยั่งยืนคงทนไม่แปรผันไปเป็นธรรมดามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้น ท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัติ์โดยย่อรวมประเด็นสาคัญในปุคละกถาแปดประเด็นคือ 1. อัตกะนิขะ 2. เปียาละสสันธาวนิยะหรือคติอนุโยคะ 4. อุปาทายะหรืออุปาทา ปัญญานุโยคะห้าจิตตะหกกัลยาณะหรือปุริสการานุโยคะเจ็ดอิทธิหรืออภิญญานุโยคะแปดสุตตาหารณะนะปุคคละกถาจบ